มารดาและภรรยาเก่าของพระยศะดได้ทำจักษุข้อ29ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระยาศัเป็นปัจฉาสมณนะะเสด็จไปยังนิเวศของเศรษฐีข้า บ, บดีครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นมารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยาศัก ก็พากันเข้าเฝ้า พ, พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุภุพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. ศีลกถา 3. ส, สักขกถา 4. กามาทีนวะคถา 5. เนคขมานิสังสกถาแก่มารดาและภระยาเก่า เมื่อทรงทราบว่าทั้งสองมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวร์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังศิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมักทมจากสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่มารดาและภรรยาเก่าณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 ถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลายของที่คว่ําเปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้ลงทางหรือตามประทีพในท่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมท้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต มารดาและภระยาเก่าของท่านพระยาศาทั้งสองนี้ได้เป็นเตวาจิกะอุบาสิกาผู้กล่าวถึงรัตนาทั้งสาว่าเป็นสรณะเป็นคู่แรกในโลกครั้นแล้วมารดาบิดาและภระยาเก่าของท่านพระยาศะได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนพระผู้มีพระภาคกับท่านพระยาศะด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาค สวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัะทหารแล้วละพระหัตจากบาทจึงนั่งหน้าที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้บรรดาบิดาและพระยากเก่าของท่านพระยาสะเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะจากไป